ธรรมะนะก็เป็นศาสตร์สาขาหนึ่งมันก็เหมือนเราเรียนวิชาทางโลกนั่นแหละเป็นวิชาหนึ่งไม่เคยเรียนไม่เคยได้ยินเรียนทีแรกก็งงหน่อยยากหน่อยเรื่องธรรมดามาเรียนสักพักหนึ่งก็รู้เรื่องถ้าขยันภาวนาต่อไปก็แตกฉานเข้าใจง่ายไม่มีอะไรเท่าไหร่หรอกแต่ประณีตลึกซึ้งมากเลย มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมันเป็นเรื่องของจิตใจอะไรจะละเอียดอ่อนเท่าจิตใจคนไม่มีหรอกละเอียดอ่อนมากเลยพพวกเรามีจิตใจมาแต่ในทะเลนะแต่เราไม่เคยเห็นกระบวนการทำงานของใจใจมีกระบวนการที่จะทำงานกว่าที่ความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายจะเกิดนะเกิดแล้วกว่าจะเกิด กิเลสเกิดทุกข์เกิดอะไรขึ้นมามีขั้นมีตอนคนทั่วไปมองไม่เห็นเห็นแต่ของอื่นเห็นแต่ของข้างนอกไม่เคยรู้เท่าทันกระบวนการทํางานของจิตตนเองไม่รู้ว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นได้ยังไงไม่รู้ว่าทํำยังไงจะพ้นจากความทุกข์ในพระเจ้าจะมาสอนเราเรื่องพวกนี้แหละเราจะรู้เท่าทันกระบวนการทํางาน ของจิตใจจนกระทั่งมันปรุงแต่งความทุกข์ต่อไปไม่ได้ไม่ใช่เรื่องคิดเอาแต่เป็นเรื่องที่ต้องเห็นเอาไม่ใช่การสะกดจิตหลอกตัวเองให้เชื่อแต่ต้องเข้าไปเห็นจริงๆไปเห็นของจริงเห็นกระบวนการทํางานของจิตใจจริงๆบางคนไม่เชื่อว่าจิตมีคิดว่ามีแต่สมอง พวกนี้ไม่ได้มีหูมีตาถ้ามีหูมีตาเราจะรู้อย่างพวกเทวดาพวกนี้มีสมองหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันไม่น่าจะต้องมีหรือถ้าเราพาวนาจริงๆนะเราเระลึกชาติได้สมองของเราแต่ละชาติก็ตายไปทำไมความรู้สึกนกคิดเนี่ยส่งทอดมาได้ บุญบาปส่งทอดมาได้นี่ถ้าคนติดแค่วัตถุนะแล้วไม่ลองพิสูจน์ดูด้วยตัวเองไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติ <c oughs> ก็จะไม่เชื่อมันเป็นเรื่องอัศจรรยนะ์เรื่องจิตเรื่องใจจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนแล้วสืบเนื่องกันไปเป็นลูกโซ่เลยไม่ขาดสายในสังสารวัตที่ยาวนานนะ เวียน่ายตายเกิดไปนานไม่ใช่จิตดวงเดิมด้วยที่ไปเกิดใหม่ไม่ใช่จิตดวงเก่าว่าเราตายแล้วจิตถอดออกจากร่างไปเกิดใหม่บางคนพยายามวัดด้วยวิยาศาสตร์คอยเช็คคนเวลาจะตายว่าพอตายปุ๊บมีน้ำหนักหายไปเท่านี้เท่านี้เลยคำนวณ น, น้ำหนักของวิญญาณ สิ่งจิตเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแล้วเวลาที่มันไปเกิดใหม่นะมันไม่ใช่ออกจากร่างนี้แล้วไปเกิดอีกร่างหนึ่งจิตนี้เดินทางได้โดยไม่ต้องอาศัยมิติสมมิติของเรานี้ไม่ใช่ต้องจากนี่ต้องเดินไปหน้าประตูออกไปหน้าวัดไปอะไรนะมันเชื่อมทุกหนทุกแห่งถึงได้หมดเลย แสงเดินทางมาโลกใช่ไหมใช้เวลาเท่าไหร่สิบนาทีประมาณจิตเดินทางนะไปถึงพระอาทิตย์นะถึงเดี๋ยวนี้เลยนะมันเร็ ว, วกว่านั้นนะมันถึงข้ามมิติได้ลาพังความเร็วแสงยังข้ามมิติไม่ได้จิตเร็ ว, วกว่านั้นเยอะเลยเวลาที่คนจะตายนะจิตมันเคลื่อนไม่ใช่เคลื่อนออกจากร่างนะมันหมุน วัตตะ์นี้หมุนอยู่ที่ตัวเองนี่เองหมุนจีขึ้นมาเลยนะก็ะขาดสะบั้นดับลงไปอีกดวงหนึ่งในภพใหม่เนี่ยจะหมุนรับขึ้นมาถ่ายทอดพลังงานไปถ่ายทอดบุญบาปไปจะหมุนวัตตมันจะหมุนขึ้นมารับอีกครั้งแล้วก็เกิดในชีวิตใหม่เราเกิดขึ้นชั่วขณะจิตเดียวจิต ต, ตกผวังจะลงผวัง จะดับความรู้สึกลงไปลงไปพักอีกนิดหนึ่งบางคนก็พักนานหน่อยแล้วก็ค่อยขึ้นมาขึ้นมาเนี่ยถ้ามาเกิดเป็นคนนะมกักจะลืมอดีตเพราะกระบวนการเกิดเป็นคนเนี่ยใช้เวลายาวจิตดวงแรกของมนุษย์นะเกิดตอนที่เกิดปฏิสนธิอสูจีของพ่อกับไข่ของแม่รวมตัวกันในขณะนั้นจิตเกิดขึ้นแล้ะ เราใช้เวลาอีกนานเลยกว่าจะคลอดออกมามันลืมนี่มีบางคนมันจําได้นะจำได้ตั้งแต่อยู่ในท้องบอกกลัวมากเลยต้องไปอยู่ในที่แคบๆคุดคูอยู่นะมืดไม่มีใครช่วยเลยอยู่คนเดียวอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ช่วยตัวเองก็ไม่ได้กระดุกกระดิกก็ไม่ค่อยจะได้มีเหมือนพันธนาการอยู่ เขาเห็นโอ้เขาทุกข์มากนะเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าความเกิดเป็นทุกข์นู้นทุกข์จริงๆนะมันเกิดอยู่ในท้องนะมันทุกข์มากเมื่อคลอดออกมาได้แสงสว่างให้มาตกใจเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาแล้วก็ร้องขึ้นมาพ่อคนเขาเอาไปอาบน้ำไปทาแป้งอะไรย่งนี้มีคนรูปไร้ดูแล มาหน้าตาก็เกิดนี่แหละกูกนะูนี่เก่งกูนี่ดีก็ ม, มีคนมาคอยทำให้เนี่ยเขามาเล่าได้ละเอียดมากเลยนะ <c oughs> พวกความจำดีจำตั้งแต่ในท้องนะสมองยังไม่พัฒนาเลยนะความรู้สึนกนคิดมันมีขึ้นมาละ <c oughs> สิ่งเหล่านี้เราเรียนนะ ค่อยๆเรียนแต่ว่าไม่ใช่ต้องเรียนมากมายอย่างที่หลวงพ่อบอกเนี่หรอกหลวงพ่อเล่าอะไรให้ฟังเนี่ยนอกเรื่องนอกราวเขาเล่าเรื่องนอกเรื่องแล้วพวกเราสนใจ <c oughs> เรียกว่าเป็นอินโทรดึงให้สนใจก่อนว่ามีอะไรให้เรียนนะศา ส, สนาพุทธไม่ได้กระจอกนะเรามาเรียนศาสนาพุทธเพื่ออะไร เรียนเพื่อว่าวันหนึ่งใจเราจะพ้นจากความทุกข์สิ้นเชิงถึงวันหนึ่งพ้นทุกข์ไปบรรลุพระอรหันต์่อมีชีวิตอยู่ต่อไปความทุกข์อยู่ที่ธาตุขันธ์ที่ร่างกายความทุกข์ไม่เข้าที่จิตดำรงชีวิตไปจนถึงวันที่ร่างกายแตกดับร่างกายแตกดับเรียกว่าดับทุกข์เป็นความดับสนิทของทุกข์ ไม่ใช่เรียนเพื่อจะตายแต่เรียนเพื่อจะพ้นทุกข์เรียนเพื่อจะดับทุกข์ไม่ให้ทุกข์เกิดขึ้นอีกตอนหลวงพ่อเด็กๆนะเรียนหลักสูตรกตระทรวงศึกษานี่แหละไม่รู้เดี๋ยวนี้เปลี่ยนหรือยังวันประสูติวันเกิดนะวันตรัสรู้วันป ร, รินิพานวันตายป ร, รินิพานว่นตายตอนเด็กๆเราก็ตั้งใจแล้วขอไม่ป ร, รินิพานนะ กลัวตายนิพพานไม่ใช่ตายนิพพานเป็นความดับของทุกขนะ์เพราะว่าพ้นจากความตายแล้วพระอราหันต์นะเรียว่าพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายพ้นตั้งแต่เป็นพระอราหันต์เลยนะแล้วใครแก่ร่างกายแก่ไม่ใช่จิตใจแก่ใครเจ็บร่างกายเจ็บใครตายร่างกายตาย ถ้าท่านไม่ยึดถือในกายนะเลยท่านไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายของพวกเราผมงอกก็ผมเรางอกยตีนกาเราขึ้นนี่ก็ตีนกาของเราอีกขนาดตีนกาไม่ชอบนะยังตีนกาของเราอีกหลังนํามาประกวดตีนกาใครตีนกาสวย <c oughs> เราจะฝึกจนพ้นจากทุกข์ความทุกข์มันจะอยู่ที่ร่างกายเท่านะั้น เข้ามาไม่ถึงใจเราจะทำอย่างนั้นได้ก็รู้แจ้งในกระบวนการว่าความทุกข์เกิดขึ้นมาได้ยังไงทุกข์เกิดขึ้นในใจได้ยังไงความทุกข์ไม่เกิดได้ยังไงกระบวนการนี้เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งที่สุดในพระพุทธศาสนาเป็นธรรมะที่สำคัญที่สุด พระอรหันต์เท่านั้นแหละที่จะรู้แจ้งปฏิจจสมุปบาทแต่ความลึกในการรู้ของแต่ละองค์ก็ไม่เท่ากันแต่ก็ลึกพอที่จะถอนความทุกข์ออกจากใจได้แต่บางองค์ไให้มาอธิบายแจกแจงสภาวะเป็นขั้นเป็นตอนอธิบายไม่ได้รู้แต่ว่าเจริญวิปัสนาดูรูปนามเกิดดับอยู่ถึงวันหนึ่งกิเลสมันตายไป ใ, ใจก็พ้นจากทุกยิ้มแย้มแจ่มใสขึ้นภายในหลวงปู่ดุเลเรกจิตยิ้มจิตยิ้มเป็นอาการของจิตในขณะที่สัมผัสอริยผลสัมผัสอริยผลจิตจะยิ้มขึ้นมาทําไมต้องจิตยิ้มขึ้นมาหลวงปู่ดุลท่านบอกว่าจิตมันไม่มีรูปร่าง และจิตพระอรหันต์เนี่ยไม่มีความเคลื่อนไหวภายในด้วยภายนอกไม่มีรูปรักษ์ภายในไม่มีความเคลื่อนไหวไม่ไม่มีร่องรอยให้สังเกตเลยเรางปู่ดินท่านเลยสอนว่าจิตแสดงความมีอยู่ของตัวเองด้วยการยิ้มนถามท่านต้องยิ้มกี่ทีเนี่ยกว่าจะเสร็จทุระท่านก็นับนิ้วเลยนะสามสี่สี่สี่ที น่ารักมากเลยถานั่งนับสามสี่ทีนับนับนับโอ้สเนะาะทาไงจิตจะยิ้ม ก, ม ก, กม็เกิดอริยมรรจิตก็จะยิ้มเกิดอริยมรแล้วก็จะต่ออริยผลบางีหลวงปู่ ด, ดูนั่นงบอกว่าจิตมันยิ้มยอ ก, กิเลสื่อกิเลสเนี่ยต่อไปมาหลอกเราไม่ได้ละเรารู้ทันน่ะ มันตอนพรดใท้เจ้าตรัสรู้นะท่านอุทานทักตัญหานั่นคือภาวะตอนที่ท่านจิตยิ้มจิตมันจะร่าเริงแสดงธรรมะออกมา ย, ย, ย, ย, ย่อเย้จิเล็ดดนั้นต่อไปนี้เราจะมาเรียนนะให้เห็นว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นได้ยังไงทำยังไงจะไม่ทุกข์ชีวิตมนุษย์ทั้งหลายนะสแสวงหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์ ในหาความสุขก็หาไม่เจอความสุขทีいいていていい่คนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายรู้จักเนี่ยเป็นความสุขที่อิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นต้องอยู่กับคนนี้ถึงจะมีความสุขต้องไม่เจอคนนี้ถึงจะมีความสุขต้องมีสิ่งของอันนี้สมบัติอันนี้ถ้ามีของอย่างนี้ไม่มีความสุขเนี่ยความสุขมันอิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นบางคนอยากดัง อยากดังนี้อาศัยคนอื่นไหมยอยู่คนเดียวดังไหมยอยู่คนเดียวไม่รู้สึกดังเดินไปไหนแล้วเฮ้ hey, hey, hey. คนวิ่งตามดูนะโอ้เทมากเลยมันตามทั้งวันทั้งคืนนะกลุ้มใจลำคาญมันมนุษย์นะ่ะมีคอนลิกต์ในตัวเองร้ายแรงมากเลยหลายๆอย่างนะในใจของเราเนี่ยทันหาความสุขจริงๆไม่ได้มนุษย์เนี่ยต้องการให้คนอื่นยอมรับความมีตั ว, ม, ตวมีตนของเรา แต่มนุษย์ต้องการอิสระอยากให้คนยอมรับมากๆแนละ้อยากมีเพื่อนฝูกมีอะไรนะแต่อยากอิสระมันอิสระไม่ได้หนูมันขัดแย้งกันเองไม่มีใครเขาสนใจเลยนี่อิสระไปไหนหมายังไม่มองเลยนะหมาเห็นมาก็เศร้าใจมากเลยอิสระอยากทําอะไรก็ไม่มีใครสนใจแต่งตัวใส่รองเท้าข้างละสีคนก็ยังไม่มองเนะี่ เฉาเลยเฉาวพวกเราพยายามให้คนมองใช่ไหมพอคนมองมากๆอึดอัดคนไม่มองก็กลุ้มใจเดี๋ยวมีคอนฟลิกต์ในตัวเองเยอะมากเลยนะมนุษย์นะี่ยงั้มนุษย์เนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์เต็มไปด้วยความทุกข์พระเจ้าจะมาคลี่ใจของเรานะธรรมะของท่านจะมาคลี่ใจของเราออกมาเรามารู้จักตัวเอง อย่างทองแท้เลยต้องการอะไรแน่ต้องการเพื่อนเยอะๆหรือต้องการอิสรภาพนะไม่ได้ต้องการสองอย่างนั้นหรอกที่จริงต้องการความพ้นจากความทุกขนะ์ต้องการมีความสุขนั่นแหลนะเพียงแต่ว่าความสุขนี้อิงอาศัยสิ่งอื่นเช่นมีคนยอมรับแล้วมีความสุขได้อยู่ลาพังตัวเองแล้วมีความสุขมันมีเงื่อนไขตลอดเวลา จิต ท, ที่ฝึกดีแล้วนะอยู่ตรงไหนก็มีความสุขตรงนั้นแหละอยู่กับคนเยอะๆก็เหมือนอยู่คนเดียวนะมีความสุขอยู่คนเดียวก็ไม่เหงาเหมือนก็มีเพื่อนอยู่ตลอดเวลาเนะี่ยจิต ท, ที่มันฝึกดีแล้ว่นะแล้วพวกเราก็มาฝึกจิตฝึกใจนะให้เข้มแข็งขึ้นมาให้เกิดความรอบรู้นะวิธีที่จะฝึกจิตฝึกใจให้ฉลาดรอบรู้ขึ้นมาพระพุทธเจ้าได้วางหลักสูตรไว้ให้ หลักสูตรของพระพุทธเจ้าชื่อไตรสิกขามาเรียนเรื่องไตรสิกขานะเรียนเรื่องไตรสิกขาเวลาพวกเราคิดถึงวัดคิดถึงธรรมะนะพวกเราคิดถึงแต่เรื่องทำทานถือศีล น, นั่งสมาธิมันก็ดีเหมือนกันทำทานถือศีล น, นั่งสมาธิดีกว่าไม่ทำแต่เราไม่ค่อยเรียน เราไม่ค่อยเรียนจริงๆว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรนึกเอาเองนึกเอาเองจะ ถ, ถือศีลนะต้องไปขอที่พระบางคนบอกถือศีลไม่ได้หรอกเพราะอะไรอรารัตนาศีลไม่เป็นโอ้ยนอนเซนที่สุดเลยนะมาอย่างปันเตวิสุงวิสุงอะไรนะี่ไม่เป็นนะพระเจ้าไม่เคยมาสอนอะไรที่ยุ่งยากหนักหนาหรอกนะ เราจะเรียนนะจาจิตใจที่ถูกกิเลสลากตลอดเวลาเราจะมาพัฒนาจิตใจของเราด้วยศีลให้จิตใจของเราเนี้ยไม่ถูกกิเลสลากไปกิเลสไม่มีอำนาจเหนือใจด้วยอำนาจของศีลกิเลสไม่มีแรงมากสติปัญญาเรายังอ่อนเครื่องมือที่จะสู้ รักษาตัวให้รอดก็คือศีลนั่นเองกิเลสเข้มแข็งเท่าไรก็ตามเถอะเอาชนะกิเลสไม่ได้ก็ตามเถอะแต่ไม่ปล่อยให้กิเลสครอบงำจิตนะจิตเข้าใจก็เป็นปกติจิตใจก็เป็นปกติไม่ถูกกิเลสครอบงเนีม่มีศีลพอจิตใจมีกาลังมากขึ้นนะเราสามารถข่มกิเลสได้บ้างละไม่ใช่ตกเป็นฝ่ายรับอย่างเดียว ช่วงที่กิเลสเข้มแข็งนะเรายัางอ่อนแอสู้ด้วยศีลหมายถึงข่มใจไว้ไม่ให้ไหลาตามกิเลสไปช่วงที่กําลังของสติสมาธิปัญญาเราแก่กล้าขึ้นเราเริ่มไปลุกรากกิเลสบ้างข่มกิเลสบ้างด้วยสมาธิตีเริ่มตีโต้กลับไปละแล้วขั้นสุดท้ายนะเราคุดลากถอนโคนกิเลสด้วยปัญญานะ ศีลสิกขาเจิตสิกขาปัญญาสิกขาเนี่ยจะทำให้เราได้ศีลที่ถูกต้องได้สมาธิที่ถูกต้องได้ปัญญาที่ถูกต้องศีลที่ถูกต้องเอาไว้ป้องกันตัวเองเวลาที่กิเลสมันเข้มแข็งมากเราสู้มันไม่ไหวก็ไม่ให้มันมาครอบงําใจได้คล้ายๆรักษาเมืองหลวงไวไ้รักษาใจเอาไว้สมาธิที่ถูกต้องเนี่ยออกไปไล่ตีกิเลสบ้างแล้วกิเลสก็จะหลบซ่อนตัว กิเลสไม่สามารถตระทะโดยตรงกับเราได้แลกิเลสจะซ่อนตัวงั้นเวลาทำสมาธิแลกิเลสไม่ตายแต่กิเลสจะแฝงตัวอยู่ซ่อนเงี ย, งยบๆอยู่กิเลสก็รอจังหวะตีโต้คืนเหมือนกันถ้าตีคืนขึ้นมาแล้วเราตั้งหลักไม่ทันนะสมาธิเราเสื่อมกิเลสจะตีคืนมาเราจะเราอย่างสู้ไม่ไหวนียเราจะผิดศีลไปเลยศีลก็แพ้และถ้าตรงกระทั่งศีลก็ไม่เหลือเน่นะนะ เราก็เสียความเป็นมนุษย์ไปเรียบร้อยแนละ้วเป็นมนุษย์ต้องมีศีลเสียความเสียศีลคือเสียความเป็นมนุษย์แนละ้วใจของเราต่ํามนุษย์เป็นผู้มีใจสูงมันเหมือนคู่ต่อสู้กันนะเขาเข้มแข็งกว่าเราก็รักษาเมืองหลวงคือรักษาใจของเราไว้ไม่ให้เขาเข้ามายึดครองไม่ให้กิเลสยึดครองพอเรามีกําลังเข้มแข็งนะเราก็ออกไปย่ำหยีกิเลสกิเลสก็ไปซ่อนนะ แล้วก็ผลัดกัดรบอย่างนี้แหละผลัดกันแพ้ผลักันชนะชนวันหนึ่งปัญญาเราแก่รอบนะเรารู้เลยว่าอ๋อกิเลสนะมันซ่อนตัวอยู่ตัวนี้เองเราจะเข้าไปล้อมมันนะเข้าไปล้อมมันมันจะหนีมาซ่อนที่ซ่อนของกิเลสอยู่ที่ไหนรู้ไหมอยู่ที่ใจของเราเองดูมันน่ากลัวขนาด น, นี้นะศัตรูไม่ได้อยู่ข้างนอกอะศัตรูอยู่ที่ใจของเราเองนิ่ง สติสมาธิปัญญาเนี่ยจะประชุมลงที่จิตดวงเดียวนี่เองแล้วก็คุณงามความดีทั้งหลายผนึกกำลังกั น, นเข้ามาขายี้กิเลส ท, ที่ซ่อนอยู่ในจิตนเองกิเลสระดับที่ซ่อนอยู่ในจิตนี่นะคือตัวอวิชชาถ้าตัวนี้ยังไม่ตายนะกองบัญชาการมันอยู่ในบ้านเรานี่เองเราไม่รู้หรอกเรามัวไปลบกับมันที่อื่ น, นโอ้มันลึกซึ้งนะ ถ้าไม่ได้คําสอนของพผู้เจ้านะเราไม่รู้เลยว่าเราจะสู้กับศัตรูได้ยังไงบางคนจะสู้กิเลสไม่ไหวก็ยอมแพ้มันถูกมันครอบงําย่ําเหยียวบางคนจะสู้ในเชิงปฏิเสธอยากกินไม่กินอยากนอนไม่นอนก็เหน็ดเหนื่อยมากเลยพอหมดกําลังจิตกําลังใจที่จะต้านนะมันก็มาย่ยําเหยียงเดิมสู้มันไม่ได้จริงอาศัยตรยสิก ข, ขานี่แหละของผู้เจ้านี่แหละ เบื้องต้นสู้เข้าไม่ไหวมีศีลรักษาจิตไว้ไม่ให้กิเลสครอบงำเบื้องกลางมีกำลังมากขึ้นก็ไปข่มกิเลสสมาธิเป็นเครื่องข่มกิเลสปัญญาเป็นเครื่องขุดลากถอนโคนกิเลสและกิเลสตัวสุดท้ายที่ขุดลากถอนโคนยากที่สุดเลยเพราะมองไม่เห็นนะคืออวิชชาอาวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจความไม่รู้ปฏิจจสมุ ป, ปบาทนะ ซ่อนอยู่ที่จิตเองต้องฝึกนะเมืาะนนสิ่งที่เราจะเรียนในช่วงสามวันคือเรื่องพวกนี้นั่นแหละการจะมีศีลเบื้องต้นต้องตั้งใจไว้ก่อนเนะตือนตัวเองไว้ก่อนวันหนึ่งหลายๆครั้งตื่นนอนขึ้นมาเตือนตัวเองไว้เราจะรักษาศีลห้าศีลห้าพอแล้วนะ ก่อนกินข้าวของวันตั้งใจรักษาศีล5้าก่อนกินข้าวเย็นตั้งใจรักษาศีลห้าก่อนจะนอนตั้งใจรักษาศีลห้าเตือนตัวเองเรื่อยๆมาหลายๆรอบนะเวลาจะทำผิดศีลมันจะได้ละอายใจอันนี้สำหรับมือใหม่นะมือใหม่รักษาศีลส่วนประเภทมือเก่าแบบงับเงือกก็ <c oughs> ไปขอศีลที่พระพอขอเสร็จแล้วก็โยนคืนพระไปเลย ศ e e นะ es ีิเบื้องต้นเนี่ยตั้งใจรักษาไว้ว่าเราจะไม่ทําผิดศีลห้านะต่อไปเลยค่อยๆพัฒนาวิธีรักษาศีลให้ประณีทิขึ้นไปวิธีรักษาศีลที่พระณีทก็คือคอยรู้ทันกิเลสที่เกิดที่จิตนั่นเองกิเลสไม่เกิดที่อื่นกิเลสเกิดที่จิตที่เดียวกิเลสไม่เกิดอยู่ข้างนอกกิเลสไม่เกิดที่ร่างกายไม่เกิดที่ตาหูจมูกลิ้นไกายกิเลสเกิดที่จิตอยู่ที่เดียว กิเลสอยู่ในปัจจุบันด้วยนะกิเลสในอดีตก็ดับไปแล้วกิเลสในอนาคตก็ยังไม่มีกิเลสที่มีจริงๆอยู่ที่จิตในปัจจุบั น, นเองนะเพราะฉะนั้นวิธีที่จะสู้กิเลสนะต้องรู้ทันมันจะสู้กับใครสักคนก็ต้องรู้ว่าศัตรูเราอยู่ตรงไหนเพราะฉะนันะ้นเวลาราคะเกิดขึ้นมาให้รู้ทันราคะมันเกิดถ้าพอรู้ทันนะัราคะจะดับอัตโนมัติ พอมันดับแล้วเนี Woche ่ยเราจะไม่ทําผิดศีลเพราะราคะเวลาโทสะเกิดเรารู้ทันนะโทสะจะดับอัตโนมัติเราจะไม่ทําผิดศีลเพราะโทสะเวลาโมหะเกิดเรามีสติรู when ้ทันโมหะจะดับอัตโนมัติเราจะไม่ทําผ <Hope> ิดศีลเพราะโมหะกิเลสแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยทำให้เราผิดศีลได้ทั้งห้าข้อไม่ใช่โทสะทำให้ผิดศ <woo> ีลข้อึ <our lives> <pasta> โลภะทําทให้ผิดศีลข้อสองข้อสอะไรองนี้ไม่ใช่นะกิเลส ต, ตัวเดียวเนี่ยทำผิดศีลห้าได้ทั้งหมดเลยนะอย่างโทสะเกิดขึ้นมากิเลสตระกูลโทสะเกิดขึ้นมาเกิดความขัดเคืองในใจไม่สบายใจนะเราทําร้ายคนอื่นก็ได้ที่เป็นต้นต่อให้เราไม่สบายใจนะไปแกล้งทําลายทรัพย์สินเขาไปแกล้งขโมยของเขาก็ได้ไแกล้งผิดลูกผิดเมียเขาก็ได้ไปด่าว่าเขาก็ได้ ไปแกล้งชมเขาก็ได้นะไอ้คนถูกยอมมากๆเหลิยใช่ไหมเลยไม่รู้ผิดชอบชั่วดีแล้วเพราะว่ากูเก่งกูเก่งไอ้กูเก่งเนี่ยตัวทำลายกูมากที่สุดนลยทำลายคนมากที่สุดเลยเรื่องกูเก่งนะกูเหนือคนอื่นนะงั้นอย่างเราเกลียดเขาเราไปยอเขานะก็ผิดศีลนะไม่ใช่ว่าต้องด่าแล้วผิดศีลอย่างเดียวนะเกลียดนาร้ายกับเขาหรือจิตใจเศ้าหมองกลุ้มใจไปกินเหล้า ก็ทำได้ใช่ไหมทำนองเดียวกันราคาก็ทำให้ผิดศีลทั้งห้าข้อโมหะก็ทำผิดศีลทั้งห้าข้อได้ะให้เราคอยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดที่จิตคอยรู้ทันไปเรื่อยทุกคนรู้ได้ทุกคนรู้จักกิเลสอยู่แล้วรู้ได้อยู่แล้วโกรธเป็นไงเราก็รู้โลภเป็นไงก็รู้หลงเป็นไงก็รู้ฟุ้งซ่านหดหู่เป็นไงก็รู้ตอนนี้โกรธขึ้มารู้ทันโลภขึ้มารู้ทันฟุ้งซ่านหดหู่รู้ทันสงสัยรู้ทันะอะไรเกิดขึ้นรู้ทัน รู้ทันใจของเราเองคนทั่วไปก็รู้ได้แต่ละเลยที่จะรู้อย่างเราขับรถอยู่คนปาดหน้าเราโกโรธโกโรธแล้วเราไม่ดูว่าใจกําลังโกโรธเราจะไปดูให้คนที่ปาดนู่นมันไปน่นละจะต้องขับตามมันไปจะไปเอาคื น, นเราสนใจของข้างนอกเห็นสาวสวยเดินมารักนะไม่รู้ว่าใจกําลังรักมวัวจะไปดูสาวเนี่ยดูออกนอกต่อไปนี้กลับข้างนิดเดียวเองคิเลสอะไ้เกิดขึ้นในใจเราค่อยรู้ไปเรื่อยๆ นี่เป็นพื้นฐานจะทําให้เราเกิดศีลขึ้นมานะแล้วต่อไปปัญญาก็าเกิดด้วยสมาธิก็ เ, เกิดด้วยมีสติรักษาจิตอยู่นี่แหละศีล ส, สมาธิปัญญาจะเกิดขึ้นพระเจ้าสอนนะจิตที่ฝึกดีแล้วนําความสุขมาให้ฝึกสติรู้เท่าทันจิตใจของเราจิตที่ฝึกดีแล้วจะนําความสุขมาให้สุขอื่นเสมอด้วยพระนิพพานไม่มีถึงพระนิพพานได้เลยนะนี่อินโทรนะแล้วก็ต่อด้วยเรื่อง วิธีรักษาศีลนะก็คือรู้ทันกิเลสถ้าเรารู้ทันกิเลสกิเลสครอบจิตไม่ได้ไม่ผิดศีลศีนอัตโนมัติเกิดอันนี้ศีลชั้นสูงเลยศีนาัตโนมัตินะแต่ไปนี้ไปกินข้าวไปแล้วคอยรู้ทันกิเลสที่เกิด ท, ที่จิตนะครยรู้ทันไปย่งเงินเข้าห้องน้ําก็โทสะขึ้นแล้วละ่ะแย่งกันกินหรือยังไม่ทันจะแย่งเลยเห็นอันนั้นก็อยากกินนี่โลภะละนะให้รู้ทันไปฝึกนะฝึก